เข้าใจผิดว่าเธอเล่นลิ้นนะเจฟีป่านี่ก็เลย อ, อนุโมทนานะในความมีสติปัญญาของเธออันนี้เลักาจะนย์พระองค์ก็แสดงธรรมจอไปลาพระองค์มาที่เมืองอรารวีก็เพื่อแสดงธรรมให้กับหญิงสาวคนนี้แหละพระองค์ก็ตรัสว่าในโลกนี้มืดมื ด, ม, ดมิดนะักน้อยคนจะเห็นแสงสว่างน้อยคนที่จะไปสวรรค์ เหมือนกับนกที่น้อยตัวที่จะบินออกจากตาข่ายได้เธอฟังก็บรรลุธรรมนะเป็นพระโสดาบันคาถาสั้นๆอันนี้มีความหมายมากนะว่าคนเรานี่ส่วนใหญ่ก็รู้แล้วแต่หลงอยู่ในความมืดมิดถูกครอก่อบงนด้วยอวิชชาแล้วก็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 ช่างหูช่างทอผ้านี้ก็ตกใจก็ด้วยอารามไม่รู้ตัวก็เอากระสวยเนี่ยพุ่งเข้าไปอันนี้คงเป็นปฏิกิริยาซัดกระสวยเข้าไปทิ่มที่หน้าอกนะของเธอปรกว่าตายขาที่ซึ่งอันนี้มันก็มันก็ตรงกับนะกับเรื่องราวของเธอนะที่เธอบอกว่า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 เดินเท้าเปล่าเนี่ยนะเดินเรียกว่าไม่ได้หยุดเลยตามเรื่องก็บอกว่าระยะทางร้อยยสบโยชน์ร้อยิบโยชน์นี่มันก็เป็นร้อยร้อยกิโลนะบางที่ก็บอกบอกว่าเป็นพันกิโลนะเอาเป็นว่านะมันไกลมากพา ย, ยายามนี่ก็เดินนะไม่ได้หยุดเลยนะทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งไปถึงเชตาวันตอนเช้าก็เป็นช่วงเวลาที่พระเจ้า กัง เ, เสด็จออกบินธบาตพอพัยาเห็นพระพุทธเจ้าก็รีบตรงเข้าไปก้มกราบแล้วก็ทูลขอให้พระองค์แสดงธรรมกลางถนนเลยพระพุทวงก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่เวลาแต่พัยาก็ยืนยันนะถึงสามครั้งแล้วก็อ้างหรือให้เหตุผลว่าชีวิตนี้มันไม่เที่ยงคนะวามไม่ความไม่จรลังนะคือ ความไม่จริลังของตนหรือของพอระเจ้านี่นะภยญานิี่กลัวกลัวว่าจะไม่มีโอกาสก็เลยขอให้พระองค์แสดงธรรมเดี๋ยวนั้นเลยท่พระองค์ก็เห็นว่าภัยญานี่ซึ่งซึ่งเพิ่งเดินทางมาถึงตอนนี้ก็คงจะหายเหนื่อยลแล้วแล้วก็จิตใจก็เริ่มเย็นลงแล้วตอนแรกๆนี่เรียกว่าเรารุ่มเราร้อนมาอยากฟังธรรม พง์ก็คงเห็นว่าจิตใจที่เร่าร้อ น, นอยากฟังธรรมนี่มันไม่เอื้อต่อการที่จะเห็นธรรมได้แต่พอที่พอพงษ์ได้ปฏิเสธเป็นครั้งที่สแล้วเนี่ยพายะก็ใจก็เริ่มสงบลงพง์ก็แสดงธรรมนะข้อความก็สั้นๆก็มีว่าเมื่อเห็นสัจธรรมเห็นเมื่อได้ยินสัจธว่าได้ยิน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 ในสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเป็นงานสำหรับชีวิตของผุุ้ชนแต่ว่าถ้าหากว่าเราลังรอผัดผ่อนพอเห็นว่ามันยังมีเวลาทำเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้ก็ทำอย่างอื่นก่อนออย่างอื่นก่อนคืออะไรอย่างอื่นก็จะเป็นงานการเพราะมันมีเส้นตายคนเราเนี่ยเรามักจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีเส้นตายสิ่งที่มีกาหนด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 มันเป็นโอกาสทองแล้วเราก็ต้องอย่าให้มันเสียของนะการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ดีการที่เรามีศักยภาพนะที่จะเพ้นทุกขเข้าถึงความสุขอันประเสริฐหรือว่ามีสารภาพทางจิตก็ดีนี่มันเป็นเป็นสมบัติที่ล้าค่ามากที่เราไม่ควรจะปล่อยให้มันร่วงเลยไปหรือไม่ได้ ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เท่าไม่งั้นบรรยากาศเป็นการเสียของไปบรรยาการทําให้โอกาสทองหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายอย่างแล้วก็ตามนะแม้ว่าจะพูดว่าเราควรเร่งทําความดีนะไม่ควรลังรอไม่ควรผัดผ่อนนะแต่ว่าก็อย่าให้ให้มันเร่งจนอย่ารีบจนรนนะ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 เราก็ต้องน้อมใจให้อยู่กับปัจจุบันนะการอยู่กับปัจจุบันสําคัญมากจะไปคิดว่าเวลาทํารายเนี่ยไปคิดถึงสิ่งที่เราจะทําข้างหน้าคิดแต่จะทําให้เสร็จเร็วๆเพื่อได้ไปทําสิ่งอื่นต่อไปถึงแม้ว่าเรายังมีหน้าที่จะต้องต้ทำทั้งกับตัวเองก็คือการปฏิบัติธรรม การให้เวลากับคนรักพ่อแม่หรือลูกหลานครูบาอาจารย์แต่เมื่อเรามาถึงนี่นะเราก็ต้องวางเรื่องอื่นก่อนนะเรามามาถึงนี่มาวัดป่าสุโกโตเราจะมาเจริญสติก็ต้องวางเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องลูกเรื่องหลานเอาไว้ก่อนนะใจอย่าไปจดจอ่อว่านี่ฉันต้องรีบปฏิบัติทำเร็วๆจะได้กลับไปที่บ้านนะไปดูแล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 ทำครัวซักผ้าหรือว่ากวาดลานวัดเรื่องจะเป็นงานภายในก็คือดูตามดูรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้ น, นอันนั้นถือว่าเป็นเป็นงา น, นงานที่เราต้องเกี่ยวข้องต้องทำในแต่ละขณะแต่ละขณะก็เรียกว่าปัจจุบันการอยู่กับปัจจุบันคือเอาใจใส่ลงไป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 คือปล่อยใจลอยแล้วทาให้เกิดอารมณ์ตามมาจนเกินความเสียใจความเศร้าใจความโกรธเคืองอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ควรทําหรือว่าคิดถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงใจลอยไปนึกถึงเหตุการณ์ในอนาคตแล้วก็ปรุงแต่งเป็นเรื่องเลวร้ายแล้วก็ทําให้เกิดความกังวลเกิดความผวง์ขึ้นอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ควรทําแต่ถ้าเกิดว่าเราจะย้อนคิดไปถึงอดีต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 ด้วยความตั้งใจอย่างมีสติอันนั้นคือปัจจุบันล้การคิดถึงเรื่องอดีตนะถ้าคิดด้วยความตั้งใจให้เรื่องนั้นเหตุการณ์นั้นมันเป็นปัจจุบันได้เพราะว่าปัจจุบันหมายถึงว่ากิจที่เราต้องทําต้องเกี่ยวข้องในแต่ละขณะแต่ละขนาดบางครั้งเราต้องกลับไปใค ร, คร่ครวญเหตุการณ์ในอดีตเพื่อทบทวนชีวิตที่ผ่านมาอันนั้นถือว่าเป็นงานนะและงานที่เรา ต้องเกี่ยวข้องแต่ละขณะแต่ละขณะก็เลือกเป็นปัจจุบันได้เพราะฉะนั้นการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยยังควบคุมยังครอบคุ ม, คคมหมายถึงการที่เรานะใคร่ควรอดีตรวมทั้งการวางแผนอนาคตด้วยตอนที่เรานึกถึงอนาคตคิดถึงการวางแผนเท่าเราทำอยูงมีสติตอนนั้นก็เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันนะแล้วเมื่อเราทําแล้วก็ตามจะอยู่กับสิ่งนั้นอย่าลุกลี้ลุกลน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 เมื่อมีจะมีการสังเคยนนานะหลังจากที่พระเจ้าบริณฑิปานสามเดือนเนี่ยก็จําเป็นที่ต้องมีพระอันนท์เนี่ยมาร่วมสังเคยนนาด้วยแต่ว่ามีปัญหาอย่างหนึ่งคือว่าผู้ที่จะเข้ามาสังเคียนนาได้เนี่ยต้องเป็นพระรหรันกําหนดไว้มีห้ารรูปนะพระราหันที่จะมาร่วมสังเคยนนาเนี่ยสี่รูปเนี่ยกำหนดไว้แล้ว รอแต่พระอานนท์ท่านเดียวแต่พระอานนท์เนี่ยก็ต้องก็ต้องเป็นพระอาหารหันต์ให้ได้นะถึงจะมาร่วมสังเกตนาท่านไปนั้นท่านท่านก็ทําความเพียรเต็มที่เลยนะก่อนที่จะถึงวันสังเนา น, านี่ท่านทำทำความเพียรเต็มที่แตนะ่จนถึงว่าสุดท้ายนะจนถึงว่าสุดท้ายก่อนที่จะสังเกตน า, นานวันรุกขึ้นเนี่ยท่านก็ยังไม่มีความก้าวหน้ า, นานในทางธรรม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 ท้านิ้วก็ยกจากพื้นแล้วด้วยอาการที่ผ่อนคลายนะใจผ่อนคลายจะเรียกว่าความเพียรนี่ท่านกลับมาสู่ความพอดีก็ได้ท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในเวลานั้นเองเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะก่อนที่ก่อนที่ท่านเนี่ยก่อนจะถึงเวลาสังเยตนาลองนึกภาพว่าถ้าเกิดว่าท่านคิดว่าโอเวลาเหลือน้อยแล้วนะนะเราต้องรีบทํานะต้องรีบทํา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 เขาจะยิ่งต้องเร่งสปีดมากขึ้นทักไม่ได้นะเพราะว่าพักก็ทำให้ เ, เวลานี่มันล่วงเลยไปโดยปล่าประโยชน์แต่ถ้าไม่ได้คิดแบบนั้นนะแต่การที่ท่านคิดว่าเนี่ยนะต้องทำความเพลินให้พอดีก็คือต้องพักผ่อนบ้างใจที่วางไว้พอดีพอดีนะก็ทำให้สามารถจะเห็นทำได้อย่างแจ่มแจ้ง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 แต่แม้เราจะมีอะไรที่ต้องทำมากมายแต่ก็อย่าอย่ารีบอย่ารนเราจะทำแล้วก็ตามก็ให้ใจยอยู่กับสิ่งนั้นให้ใจยอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งเดียวไอ้เรื่องที่ต้องทำอีกมากมายวางเอาไว้ก่อนแม้เราจะไม่แน่ใจว่าจะได้ทำหรือเปล่าเพราะว่าชีวิตมันไม่แน่นอนแต่ว่าของที่เราหรือสิ่งที่เรากาลังทาอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันสาคัญที่สุดนะ ใจก็ต้องอยู่กับสิ่งนั้นใจอยู่กับสิ่งนั้นเต็มร้อยนะก็คือมีสติเต็มร้อยแต่ว่าความเพียรเป็อีกเรื่องหนึ่งนะใจเต็มร้อยแต่ว่าความเพียรก็ต้องพอดีด้วยนะทําความเพียรเกินพอดนะีจิตก็ฟุ้งซ่านนะอย่างพระอนนท์ที่ท่านเป็นมาก่อนที่จะบรรลุธรรมหรืออย่างพระโสรณ่าที่เคยเล่าเมื่อสาสวันก่อนว่าท่าน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 ทำความเพียรมากไปก็ฟุ้งซ่านนะทำความเพียรน้อยไปย่อหย่อนมันก็เกิดความเกลียดคร้านต้องทำความเพียรแต่พอดีอันนี้เขาเรียกว่าวิริยสัมมตาทำความเพียรแต่พอดีแต่ว่าใจนะเต็มร้อยมีสติเต็มร้อยกับสิ่งที่ทำอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคงนี้กลับมาพร้อมกัน